พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรนสนีสนทนานะคะเราก็กลับมาพบกับท่านกันที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm ฟเอรอยหแห่งนี้โดยมีพระมหาภัยบูร์อภิปุลโนนะคะท่านก็เป็นหลักสําหรับในการที่จะให้ธรรมะกับท่านทุกวันต้องใช้คำว่าทุกวันส่วนดิฉันนี่นก็จะมาเสริมเพื่อที่จะทําให้คําถามของท่านทั้งหลายที่ถามกันมานั้นได้รับการ ถ่ายทอดในลักษณะของการตอบถามเผื่อจะได้มีการแตกประเด็นมากขึ้นโดยคิดเอาว่าท่านฟังที่ฟังกันอยู่อาจจะมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมเป็นการช่วยทำให้สมบูรณ์มากขึ้นในประเด็นนั้นๆค่ะวันนี้เรามาพบกันแล้วก็จะพาไปกราบนมัส ก, การท่านเพรบุญกันเลยนะคะจะได้เริ่มต้นรายการกันเร็วๆสาหรับการปฏิบัติธรรมค่ะ ลกลาดนองค์สัตว์กลางคะท่านคะเชพร้เรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันซะก่อนการไม่ปฏิบัติธรรมนั้นเริ่มจากการที่เรามาตั้งจิตตั้งสติเอาไว้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทโธตัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับปามที่ชื่อว่าอักิทัตอักขิทัตนี้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเปรตที่โกศ พูดถึงว่าการที่บุคคลจะมารู้อริยสัจสีจะทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ต้องมีที่พึ่งคือพุทธโธตัมโมสังโกก่อนเริ่มการปฏิบัตินั้นให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นผู้ไกลจากกิเลสถึงแม้ท่านจะปรินิพานานานแล้วแต่ว่าคุณความดีของท่านก็ยังมีอยู่ระลึกถึงพระธรรมที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วก็ความนี้อาจจะมีที่สูญหายไปบ้างแต่ที่เหลือนั้นก็ยังดีมีอยู่ระลึกถึงพระสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราหมู่สงฆ์สาวกที่มีความสามารถในยุคพุทธกาลก็อาจจะปรินิพานไปแล้วแต่ที่มีอยู่เป็นอยู่ในสมัยนี้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่การที่เราตั้งจิตตั้งสติ ระลึกถึงพุโทโธธรมโมสังโคนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติพอเราตั้งจิตระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโคแล้วให้เราพยายามที่จะมาทําความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่การปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีใดๆทําที่ไหนการตั้งสติขึ้นรู้ลมหายใจหรือทําด้วยวิธีการใดๆก็ตามจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะต้องการให้มากเข้าใจในเรื่องของ อริยสัจสอริยสัจสีนั้นในข้อแรกคือเรื่องของความทุกข์ในขณะที่เราตั้งสติขึ้นไว้อยู่เฉพาะหน้านี้ให้เราพิจารณาเรื่องของความทุกข์ว่าความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทนได้ยากเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเอกเทศเดียวๆโดดๆการพิจารณาอย่าง น, นี้คือการทำวิปัสสนา ให้นอวังทำวิปัสสนาโดยการพิจารณาถึงความรู้สึกเวทนาต่างๆอันใดหนึ่งในกายของเราหรือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาหรือความรู้สึกเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมทั้งหลายเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองถ้าไม่มีแหล่งกําะนดเสียงเสียงนี้ก็ไม่มีแต่ถ้ามีแหล่งกําะนิดเสียงเสียงก็มีขึ้นมาถ้ามีแหล่งกําะนดกลิ่นกลิ่นก็มีมา แล่งก่อเนิดกลิ่นมันดับไปกลิ่นนั้นก็หายไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวของมันเองแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมีลักษณะที่เป็นความที่ทนอยู่ไม่ได้ความที่มันทนอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเรียกเขาว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ที่ต้องกําหนดรู้นั้นเพราะว่า มันมีข้อเสียก็มีมันมีข้อดีก็มีข้อเสียของมันก็คือว่าจะทาให้เราไปมีตัณหาได้ระยสัตว์ในข้อที่2คือเรื่องของตัณหาตัณหาคือความยึดถือเรามาพิจารณาตรงจุดนี้ว่าเวลาที่เราจะไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเราให้เรามีความสุขให้เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าตัณหามันเข้าไปติดอยู่มันเป็นเหมือนกับกาวที่จะคอยเชื่อมสิ่งสองสิ่งเข้าด้วยกัน ในที่นี้ตันหาเป็นเหมือนกับกาวที่จะคอยเชื่อมจิตของเราเข้ากับความคิดบ้างเข้ากับสิ่งของภายนอกบ้างเข้ากับเงินทองลูกหลานบ้านช่องความคิดอุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่งตันหานี้จะเป็นตัวคอยเชื่อมทำให้เราจะต้องไปวันไหวขึ้นลงเป็นทุกไปตามสิ่งที่เหมือนเป็นตุกนันถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีตันหาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจิตเราไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ไปยึดถือนั้นถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างไรเช่นว่าเราอาจจะไม่ได้แคร์ประเทศใดประเทศหนึ่งในเขตแอฟริกาถ้าเขาจะดีขึ้นมีทรัพยากรหรือว่าเขาจะประสบอุทกภยัยหรือภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกวอนไหวไปตามไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ไปตามถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นทุกข์ก็ตามเพราะว่าไอ้เจ้าตันหาที่จะเป็นตัวดึงความทุกข์มาหาเรามันไม่มี แต่ถ้าแบดว่าเรามีตัญหาในลูกของเราคนในครอบครัวเราถ้าคนเราใ้ครอบครัวเราหรือลูกของเรามีความขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะมีความทุกข์ไปตามแต่นานี้พระพุทธเจ้าจึงให้ทําการละเราจะเข้าใจความทุกข์ได้เราจะละตานาได้ให้ตั้งสติขึ้นอย่างที่ทรามบุญฟังตำอยู่นี่แหละตั้งสติไว้ระลึกถึงพระปุทธระตํรมพระสงค์เราจะมีความเข้าใจนั้นของความทุกข์เราจะสามารถที่จะละตัาหาได้ เมื่อทำอริยสัตสีให้มีความเข้าใจลึกซึ้งไปเป็นตามลำดับแล้วเราก็เป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่มาอยู่ในหนทางตามเส้นทางที่จะไปถึงพรรณิพ า, านได้นั่นเองเชิญปกรณ์ซาตุคค่ะค่ะเมื่อพูดถึงเช่นนี้ก่อนจะไปอย่างอื่นต่อนะคะที่ฉันอยากกลับเรียนถามท่านว่าเผื่อท่านฟังบางท่านก็แม เริ่มปฏิบัติบันล่นนิดบนล่นหน่อยในมีความประสงค์จะไปปฏิบัติแบบเป็นคอร์สจะได้เต็มที่ในการฝึกฝนอและก้าวหน้าช่วงเนี้ยค่ะ่าปลายปีในแต่ละเดือนแต่ละเดือนคอร์สของการปฏิบัติจะอยู่ในวันใดบ้างท่านจะได้วางแผนกันแล้วก็สมัครไปในคนที่ต้องการนะคะอ๋อในเดือนกันยาย น, นเดือนกันยายนเดือนสิงหาคมนี้เต็มแล้ว <Okay. S 2> ในรอบครั้งต่อไปจะเป็นเดือนกันยายนก็วันที่3ถึง11อันนี้พูดถึงคอสประดุษธรรมที่วัดป่าดอนไหายโศกนะ <Okay. S 2> วันที่3ถึง11กันยายนส่วนของเดือนตุลาคมนี่ก็คือ8ถึง16ตุลาคมแปดถึง <Okay. S 2> 16ตุลาคมนี่ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมเป็นต้องสมัครมาล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะมันจะเต็มไว <Okay. S 2> ส่วนเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นวันที่5ถึง13บส <Okay. S 2> ามเดืนวันที่5้าถึงสิพฤศจิกายน ส่วนของเดือนธันวาคมนี้จะเป็นวันที่4ถึง12แต่4ถึง12นี้จะเริ่มวันอาทิตย์แล้วก็ไปจบวันจันทร์ที่12 น, น, นี่คือในช่วงรอบปีนี้ก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆอะไรที่เว็บไซต์ในเว็บไซต์ของไว้ก็คือ wp ย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ตามด้วย dhs.org dhs นี่คือคือดอนหายโศก ตตเต็มๆก็คือ wpdhs.org w h a t p ดอนไนโศค่ะดิฉันถามต่ออีกนิดหนึ่งแทนท่านฟังนะคะแต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยอากาศเป็นอย่างไรคะเดือนกันยาตุลาฯยังมีฝนไหมคะท่านคะก็เดือนตุลานี่ก็จะเบาลงละจะเป็นช่วงปลายฝน ะ, ะฉะนั้นฝนมันก็จะห่างขึ้นอาจจะแทบจะไม่มีมีนิดๆหน่อยๆ แล้ฤดูนั้นก็จะเป็นออกพัรษาแล้วที่วัดป่าดอนไนโศกก็จะมีงานกระถิ่นวันที่23ตุลาวันอาทิตย์ที่23ตุลาส่วน เ, เดือนกันยาก็อาจจะมีฝนอยู่บ้างอากาศก็จะสบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายนีก็จะเริ่มแห้งขึ้นละแล้วก็อากาศก็จะคงจะเริ่มเย็ น, นพฤศจิกาธันวานี่ก็อากาศเย็นละแต่ว่ แต่และปีมันก็จะต่างกันไปนะคุณโยมติ๋ว <คะ S 2> ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ปีก่อนเนี่ยธันวานี้ก็หนาวล ะ, ะ, <ค>ะเราก็ใช้สถิติของปีก่อนเหมือนอย่างกับเวลาเข้าพยากรณ์อากาศนานๆเนี่ยก็ <ๆ S 2> ใช้การเปรียบเทียบเยียบายเยียคือปีต่อปีเหมือนกันท่านฟังก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยดิฉันได้ถามท่านพบูลก่อนที่จะมากราบเรียนถามออากาศเนื่องจากเราคนกรุงเทพะนะคะ จะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะต้องดูว่าเหมาะสมกับเรามากที่สุดอย่างไรขอให้ได้เลือกก่อนผู้ปฏิบัติในส่วนใหญ่เขาอยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมคะท่านใช่ๆ่ค่ะดิฉันยังปฏิบัติไม่เพียงพอสิยังต้องแอบถามว่าอากาศเป็นอย่างไรท่านพิบูญก็ได้บอกนะคะว่าถ้าธันวาในปีที่ผ่านๆมาก็จะเย็นมากหน่อยใครที่ชอบหนาวมากๆก็อาจจะไปตอนนั้นก็ได้แต่ท่านบอกว่าฤดูฝน สบายนะอากาศกําลังสบายไม่ได้ลําบากอะไรมากนักหนาอือันนี้ก็เสริมไว้นะคะท่านคะเมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงว่าถ้ามีตัญหาแล้วมันทาให้เกิดทุกข์แน่นอนใช่ทีนี้เรื่องบอกว่าปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยจะเห็นความทุกข์ชัดเจนขึ้นจะเข้าใจความทุกข์ชัดเจนขึ้นค่ะดิฉันมีกรณีกรณีหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าคนในโลกสังคมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยจํานวนมากทีเดียวก็อาจจะได้รับข้อมูลนี้จะมากราบเรียนถามเพราะว่า มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้างเพราะกรณีศึกษาเนี่ยเป็นตัวอย่างของบุคคลชั้นสูงนะคะที่เหมือนกับว่าปฏิบททัติธรรมแล้วก็ได้พบว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีความหมายทรัพสมบัติพั ส, สถานเกียรติยศต่างๆเหมือนกับว่าได้พบว่าชีวิตเป็นทุกข์นั่นแหละนะคะอ่าก็เลยเมื่อได้พบวิธีการปฏิบัติไปเรียนแค่เจ็ดวันก็กลับมาปฏิบัติเป็นเวลา แรมเดือนหลายๆเดือนเกือบปีแล้วก็มาถึงแก่การเสียชีวิตเอาเป็นว่าก็มีการเล่าโดยครูบาอาจารย์ของท่านนี่แหละนะคะซึ่งได้ร่วมเดินทางไปด้วยในวันที่ท่านประสบอุบัติเหตุขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วถูกยิงเสียชีวิตทั้งๆ ท, งที่จริงๆหลวงพ่อกับหลายๆคน ร่วมกันอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นแต่เขาลงกันก่อนล่วงหน้าโดยผู้ที่ควบคุมเครื่องเนี่ยก็บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสถานการณ์ให้ต้องลงกันก่อนตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ควรลงแต่ไม่ลงจึงไปถูกยิงทีนี้ประเด็นที่ที่ทนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะคะเพราะหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังว่าบุคคลท่านเนี่ย ก่อนจะเสียชีวิตท่านยังพูดได้และอยู่ในอาการที่สงบมากไม่ทุรนทุรายทั้งที่เมื่อถูกกระสุนอย่างนั้นก็น่าจะแสดงอาการเจ็บปวดปอกสีหน้าท่าทางเนี่ยเหมือนนอนหลับปกติสบายสบายแล้วก็พูดโต้ตอบได้ประเด็นหลักสำคัญก็คือได้พูดว่าจะไปนิพพานก็ท่านคะแล้วหลังจากนั้น ก็ได้เปล่งคําว่านิพพานซ้าๆซ้ำๆซ้ซําๆเป็นเวลาประมาณสามนาทีดิฉันเข้าใจว่าเขาเรียกว่าเป็นการภาวนาได้เหมือนกันอืและเมื่อสามนาทีโดยประมาณนั้นผ่านไปก็ได้เปล่งวาจาออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าเห็นแสงสว่างนะคะก็บอกว่าเห็นนิพพานแล้วนิพพานสวยเหลือเกินขอลาไปนิพพานก่อนที่จะกล่าวสั่งเสีย อีกเล็กน้อยแล้วก็สิ้นลมปราณไปในที่สุดนะค ะ, ะดิฉันสงสัยอะคะ่ะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีสติถึงขนาดนั้นเพราะต้องเชื่อว่ามีสติมากนะคะ ม, มีสติมั่นคงทีเดียวแล้วก็ได้ภาวนาอย่างนั้นโดยมีพื้นฐานมาประมาณเท่านั้นจริงๆแล้วโ อ, อกาสไปนิพพานอย่างที่คนได้อ่านเรื่องนี้หรือแม้แต่กระทั่งหลวงพ่อก็บอกว่า เชื่ออย่างนั้นไม่รู้จะไม่เชื่อทําไมอืมเป็นไปได้ไหมคะคือเรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่เราต้องดูที่เหตุปัจจัยคุณยมติค่ะคือนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่มีเหตุปัจจัยคือถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยถูกคุณก็ไปนิพพานได้แต่ว่าไปนิพพานนี่คือหมายความว่าคุณก็จะตรัสรู้ธรรมละกิเลสพวกนี้ได้นะคือหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นนิพพานเมืองแก้วอะไรเงั้นแต่ว่าเป็นนิพพานที่ว่าคุณละกิเลสคุณละตัณหา ทำความเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วคุณก็จะทํานิาพพานให้แจ้งได้นี่คือศัพท์ที่พร ะ, ระพุทธเจ้าใช้ในทอนี้เหตุปัจจัย<ๆ>เหตุปัจจัยที่จะทําให้คนมาทํานิาพพานให้แจ้งได้เนี่ยก็คือทําความเข้าใจเรื่องของความทุกข์นี้1ใช่ไหมหรือคุณละตัณหานี้2หรือว่าคุณธรรมมักให้ให้เจริญอันนี้3ได้ทั้งนั้น3อย่างนี้นะทีนี้ไอ้ความเร็วหรือความช้าของการสร้างเหตุปัจจัยของแต่ละคนมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์ของเขาแก่กล้า หรือว่าอ่อนถ้าอินรีอ่อนก็ต้องใช้เวลาแรมปีหรือว่าเป็นหลายๆชาติไปวางนั้นแต่แต่ถ้าอินรีแก่กล้าแค่ลัดนิ้วมือเดียวไม่นานได้เหมือนกันความเร็วหรือความช้าในการที่จะทำนิพพานให้แจ้งอยู่ที่ว่าอินรีนั้นแก่กล้าหรือว่าอ่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณโยมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยเหตุปัจจัยตรงนี้มีอะไรที่ เขบอกว่าเอ้ยทำนีพพาให้แจ้งแล้วเหตุปัจจัยเขาสร้างคืออะไรในะตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสังยุตตานิกายเปนะรียบเหมือนกับนายขมังธนูคิดว่าคุณยมอมถือความจพระสุนี้ได้ในะที่นายขมังธนูเนี่ยเขฝึกยิงอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทําด้วยหญ้าหรือว่ารูปหุ่นดินบ้างในะฝึกยิงอยู่นั้นนะ่ะตุ้มๆตุ้มๆยิงก็ไปยิงก็ไปในะสุดท้ายก็เป็นนายขมังตนูที่ยิงได้เร็วยิงได้ไกลทํำลายหมู่พลันใหญ่ได้ อันนี้เป็นอุปมาไ ป, ปที่เปรียบเทียบนะคำว่ายิงได้เร็วนะคือเข้าใจอริย ส, สัจสียิงได้ไกลคือเข้าใจกันหา้านะทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้คือทําลายอาวิชชาได้นะตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะบอกว่าบุคคลที่สงัดจากการมสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันะ น, นี้มีสมาธิแล้วนะเธอนั้นกําหนดลักษณะที่เห็นความไม่เที่ยงในขันทั้งห้นะมีความเป็นหัวฝีมีความเป็นลูกสอน มีความเป็นอนัตตาเป็นของยืมเขามาเป็นของไม่ใช่ตนพวกนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานนด้วยการกําหนดว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประนีตกล่าวคือทำอันเป็นที่สงบระงับแห่งสารการทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปตทิทั้งปวงเป็นความสิ่งไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นความดับเย็นคือนิพพานตรงนี้นั่นน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุตรงนี้ ตรงนี้ก็มีนะถ้าเขาทําได้อย่างนี้โดยมีปตมชาญเป็นบาทฐานแล้วเห็นอ น, นิจจาลักษณะใน11อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง11อย่างก็ได้แล้วก็น้อมจิตไปสู่ อ, อมตะธาตาาธุ <c oughs> เขาก็จะทํานิ้ผ่านให้แจ้งได้เหมือนกันแต่นี้ความรวดเร็วตรงนี้มันจะเร็วมากหรือเร็วน้อยก็อยู่ที่อินทรีย์เขาแกลกล้ามากหรือน้อยนะซึ่งเหตุการณ์ที่คุณยมติวไลฟ์ฟังเช่นประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเลือดท่วมเจอความเจ็บพวกนี้โอ้โหนี้เห็นความ แบบทุกชัดเจนมากเลยใช่ไหมคุณกําหนดว่าอ๋อนี่มันทุกข์จริงอะเนี่ยมีเหตุปัจจั ย, ยงี้ๆเข้าใจละไม่มีสติพลังเผลอไม่มีเผลอสติไม่ร้องไห้ฟูมไฟล์ทุบบกชกตัวเอาแสดงว่ามีสติรักละเห็นความไม่เที่ยงละแล้วการกําหนดน้อมไปสู่อมตะธาตุ น, นี้ก็ทําทอย่างที่ถ้าทําอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยก็ทำนิพพานให้แจ้งได้เนืเพราะว่าเหตุปัจจัยมีค่ะนะงั้นก็เท่ากับว่า บุคคลท่านนี้ท่านอาจจะมีความรู้ที่เป็นสาระธรรมหรือว่าเป็นสาระในพระสูตรมาแต่เก่าจากการที่ได้ไปเรียนรู้นั้นและ <ผม S 2> อาจจะ <ไป S 2> ศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นก็ได้ถ้าฝึกปฏิบัติอย่างเดียวเมื่อถึงเวลานั้นมีสติเนี่ยจะเข้าใจได้เองคือมันเป็นเรื่องเดียวกันไงคือถ้าฝึกเราฝึกให้มีสติใช่ไหมนี่คือเราฝึกตามมาร์กเราฝึกสติให้ฝึกตามมาร์กแล้วเราจะสามารถทําความเข้าใจทุกขให้เกิดขึ้นได้ มันะจะมาด้วยกันอยัตเอาอันใดอันหนึ่งอีกสามอันก็มาด้วยอันใดหนึ่งอีกสาอันก็มาด้วยถ้าอย่างนั้นในวันนี้ไหนไหนก็ไหนไหนนะคะก็จะขอให้ท่านได้ช่วยเมตตาให้เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเล่นกอล์เป็นคิปเลยนะคะคือมอบพระสูตรที่ท่านได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง เพราะชีวิตนี้ไม่แน่จริงๆดิฉันเพิ่งเปิดไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ไปเจอว่าคนหน้าตาคุ้นๆยังหลุ่มอย่างแน่นอยู่เสียชีวิตน่ย น, นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จะได้ใช้ไปเป็นเทคนิคในการฝึกปฏิบัติประกอบกันไปด้วยเพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคพระสูตนี้ขอไปพระพุทธเจ้าตรัสในอังกุตระนิการอังกุตรนิการหมวด9หมวด9นะคอือมี9ข้อมีธรรมะเอย่างธรรมะเอย่างนี้ก็คือฌานสมาธิทั้ง9้าขั้น ลายไปตั้งแต่ชาหนึ่งจนถึงสัญญาเวทายตานิโรธเลยในแต่ละชาเนี่ยมีความหมายมีการทำงานแบบเดียวกันนี่คนนือจะยกเฉพาะชาหนึ่งเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าในอังคุตันธิกายตรัสไว้ย่างนี้บอกว่าคำที่เรากล่าวว่าความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยเหตุผลอะไรจึงกล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายคือบุคคลในธรรมวินัยนี้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 แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีตกล่าวคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังการทั้งปวงเป็นที่สลัดกืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางกลายเป็นความดับเป็นความเย็นคือนิพพานดังนี้เธอดํารงอยู่ในวิปาาัสสนาญาณ มีปตมชานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปาติกะคืออนากามีเปรียบเหมือนนายขมังตนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำาดยยาบ้างหรือรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังตนูผู้ยิงได้ไกล ยิงได้เร็วทำลายหมู่พลันใหญ่ได้ฉันในก็ฉันนั้นนี่คือประสูนที่มาในอังคุตนาทิไกต์ตรงอาจมาต้องการจะไล่มาจากข้างหลังก่อนนะคุณโยติวเพื่อที่จะทําความเข้าใจในสถานการณ์ที่คุณโยติวเล่ามาตรงนี้แตนะ่ที่คุณเติมติวบอกว่าบุคคลท่านนี้ท่านบอกว่านิพานนิพานนิพา น, พานเนี่ยน ะ, ะกำหนดตรงนี้ตรงนี้ทําให้อาตมานึกถึงประสูนท์นะี้เพราะว่าในประสูนทนี้บอกไว้ชัดเจนว่าด้วยการกําหนดว่านั่นสงบระงับประณีต ก็คือน้อมจิตไปในนิพพานคุณน้อมจิตไปสูส่นพิพพานแต่ว่าเป็นธรรมที่สงบระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวงอะไรที่มันจะทําให้สังขารทุกสงบระงับน้อมจิตไปตรงนั้นไม่เอาตรงที่มีการปรุงแต่งไม่เอาตรงที่มีความเคลื่อนไหวไม่เอาตรงเจ็บไม่เอาตรงเวทนาไม่เอาตรงลายน้อมจิตไปตรงที่จะมีความสงบระ ง, งับตรงนี้คือเย็นแล้วนะมันจะเริ่มเย็นเริ่มดับใไปเริ่มดับไปนี่คือนิพพานแต่ท่านกําหนดอย่างนี้ด้วยไนายะตามที่บริเาะกล่าวด้วยประเพญชนะนี้อันนี้คือใช่ แล้วถามว่าคุณจะมากําหนดให้น้อมจิตไปในนิพพานอย่างเงี้ยคุณอาศัยอะไรเป็นเหตุมันต้องมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้หรือ่าค่ ะ, ะคุณก็ต้องอาศัยทำคือขันหานี่นะคุณต้องอยู่ในสมาธินะสมาธินี้มีอะไรไล่ไปนับจากชั้นที่หนึ่งหรือจะเอาชั้นที่สองก็ได้เป็นบาดฐานแนะบริจาบอกนี้นะบอกว่าสมาธิเนี่ยบุคคลสิ้นอสวะเพราะอาศัยปฐมฌานเป็นบาดบาดนี่หมายถึงว่าเป็นพื้นฐานค่ะไอ้ตรงที่บอกว่า กาหนดน้อมจิตไปสู่มาตฐ า, านเนี่ยคือน้อมจิตไปในนิพพานะคุณตรงเนี้ยคือวิปัสสนาจะทําให้สิ้นอสว า, าใช่ไหย ค, คุณอาศัยอะไรในที่นี้ก็คืออาศัยปฐมฌานเป็นบาตรบาตรนี้มันคือใบถึงฐานแล้วในปฐมฌานเนี่ยคุณต้องเห็นอะไรคุณถึงจะมาทําอย่างนี้ได้ก่อนที่คุณจะมาได้หลังจากที่คุณได้ปฐมฌานนะคุณต้องเห็นไอ้เจ้าปฐมฌานเนี่ยคืออยู่ในฌานอยู่ในสมาธิแล้วนะแล้วเห็นสิ่งต่างๆที่หมากรบเพราะว่าในสมาธิมันยังมีความคิดอยู่บ้าง อาจจะได้ยินเสียงบ้างอาจจะมีความคิดมีความรู้สึกทางกายมันมีทั้งนั้นค่นะถ้าถ้าเราอยู่ในสมาธินะอย่างเช่นท่านบุฟังหรือคุณโยมติวนั่งสมาธิ ee, บางทีก็ได้ยินเสียงจิ้งตกตุกแกหรือมีความคิดอะไรต่างๆในใจของเราถูกไหมค่ะพวกนี้เป็นสัญญาเป็นรูปผ่านเข้ามาทั้งนั้นค่ะในทั้งหมดนี้คุณต้องเห็นโดยลักษณะนี้อันใดอันหนึ่งใน11อย่างนี้คือ1ไม่เที่ยงอันห่งเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นโดยความเป็นทุกข์นี่คือข้อที่2เห็นโดยความเป็นทุกนะ ทุกนี่คือหมายความว่าเป็นทนอยู่ได้ยากมันไม่ได้อยู่ในสภาพของตัวมันเองได้มันต้องอาศัยเงินปัจจัอยอื่นนี่คือข้อที่ <S 2เห็นด้วยความเป็นโรคคําว่าโรคเนี่ยก็คือว่ามันมันมันเป็นอาพาธเป็นอาพาธนี่ก็คือมันไม่ได้อยู่สภาพของมันเองมันจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเราจะไม่ได้เป็นเด็กอยู่ตลอดเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคนแก่ใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของความอาพาธความเป็นโรคอันที่4จะมาคือหัวฝี หัวฝีเนี่ยเป็นของที่อย่าไปโดนมันเพราะถ้าโดนมาแล้วมันจะเจ็บยีดมากแล้วมันก็จะหนองไหลเลือดออกเกินประมาณนี้ลักษณะของหัวฝี <Okay. S 1> ให้เห็นให้เจ้าความคิดอะไรที่อยู่ในใจเราเป็นอย่างนี้นะเป็นลูกศร อ, อันทันมาเป็นลูกศรคําว่าเป็นลูกศรนี่คืออันตรายคุณอย่าไปแตะมันลูกศรเนี่ยมันเหมือ น, น, นกับที่เขามีคามสามารถหน้าซีวหน้าขวาอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> คือมันเป็นของแหลมเป็นของคมอย่าไปโดนมัน อันถัดมาที่ว่าโดยความเป็ น, ปนความยากลําบากความยากลําบากความยากลํ า, า, าลบากนี่คือทนได้ยากทนได้ยากอันนี้คงเข้าใจนะเป็นเป็นทุกอย่างทนได้ยากอันถัดมาเป็นของผู้อื่นคำว่าเป็นของผู้อื่นนี่คือคนอื่นเขาให้ยืมเรามาไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าเคยยกอุมาปูมยัยใช่ไหมคนหนึ่งเขายืมสร้อยคอแหวนเพชรทรัพย์สินเพชรนินจินดาของคนอื่นมาใช่ไหม แล้วเขาก็เอามาใส่เกวียนน้อยๆของเก่าแล้วก็ให้คนเนี่ยขับเกวียนไปแล่นไปตามชาวร้านตลาดนะชาวร้านตลาดเห็นก็บอกอู้ดูสีเธอคนนี้แหมคนร่ําคนรวยเนะี่ยเขามีชีวิตอยู่กันอย่างนี้นี่เองแต่ว่านั้นของยิงมานะค <c oughs> ่ะประกอบไอ้คนที่นั่งอยู่บนเกวียนกําลังแบบอืห <c oughs> ฉันมีของเพชรนินจินดาอะไรต่างๆนะกําลังแอคเต็มที่เลยนะ <c oughs> แล้วเจ้าของก็มาเจอพอดนะีเจ้าของก็จะทํายังไง เ, เจอคนแบบนี้ เขาก็ <c oughs> เอาคืนไปทันทีนะให้เราพิจารณาเห็นในเจ้าสมาธิก็ตามความคิดก็ตามพวกเนี้ยเป็นเหมือนของยืมกันมาอ๋อค่ะเป็นของยืมก่าคือสุดท้ายต้องเอาคืนเขามันไม่ใช่ของเราค่ะนะเป็นของแตกสลายเป็นของแตกสลายนะคือมันมั น, ม, นมันทำลายได้มันไม่ได้อยู่คงตัวได้นะค่ะเป็นของว่างของว่างนี่คือไม่มีสาระแก่นสารคําว่าของว่างเนี่ยคือมันไม่ Reli ยาเบไม่สามารถจะหาสาระแก่อนสารในมันได้ เช่นว่าถ้าเรามีรถปูโรทั้งสักคันหนึ่งนะรถปูโรทั้งเนี่ยจะเอาไปใช้งานมันจะตายไม่ติดทุกทีเลยนี่คือลักษณะของว่างคือของไม่มีแก่นสารเอาสาระกับมันไม่ได้หรือว่าเราอาจจะมีลูกน้องบางคนลูกน้องคนเนี้ยให้ไปทําอะไรมันเว้ยทำไม่ได้เรื่องเนี้ยนะค่ะอันนี้คือเป็นคนว่างของแบบไม่มีแกนสารหาสาระไม่ได้แล้วก็เป็นของไม่ใช่ตนคำ ว, ว่าของไม่ใช่ตนเนี่ยคือเป็นอ น, นัตตา นะไม่ใช่ตัวเราของเราที่จะสั่งว่าเฮ้ยเธอต้องเป็นอย่างนี้เธออย่าเป็นอย่างนั้นเลยมันทําไม่ได้นะนี่คือเป็นเป็นซีเนอเรมกันหมดเลยครัำพวกนี้ค่ะนะให้ดํารงจิตด้วยสมาธินี่แหละนะแล้วเห็นธรรมเหล่าเนี้ด้วยสิเป็นอย่างนี้อย่างได้อย่างหนึ่งแล้วจึงน้อมจิตไปสู่มรรคธาตาา น, นี่เป็นขั้นตอนนี้นะค่ะว่าคุณอาศัยสมาธิเป็นบาดาลแล้วจึงทําการสิ้นหนาสวาได้อันนี้อันนี้อ่าค่ะนะคะ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีนะคะเนี่ยที่เราได้มารับทราบเนื้อหาของพระสูตรเป็นเทคนิคประกอบกันไปด้วยที่จะได้นึกออกทำได้ง่ายกรณีที่ว่าอาจจะอินซีไม่ได้กล้าแข็งวัาแต่เดินด้วยตนเองก็น่าจะทำให้ง่ายขึ้นนะคะถึงคิดว่าหลายคนพอฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าอ้าว แค่ปฐมฌานไปนิพพานได้จริงๆหรอก็น่าจะมีกำลังใจเพราะว่าที่ทำทำกันอยู่ทุกวันเล็กๆน้อยๆในบางคนอาจจะถึงปฐมฌานได้ไหมคะธรรมะคิดว่าได้อยู่คือบทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าท่า น, นเฉลี่ยมากค่ะนะือคือหนึ่งสงัดจากรกาไม้ความคิดทั่วๆไปไม่มีปัญหา <c oughs> แต่เฉพาะความคิดเรื่องการเท่านั้นที่ออกไปใช่ไม แล้วก็สงังหาระอากุศลธรรมทั้งหลายมีอะไรบ้างมีพยาบาทมีเบ็ดเบียนด้วยค่ะแล้วก็ถึงผสมพิจารนมีอะไรก็มีวิโตปพิจารณ์มีปีติและสุขอันกัจวิเวแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้คําว่าแล้วแลวอยู่เนี่ยนะคือคตั้งอยู่ในธรรมนได้คือเป็นวิหารนะวิหารติเนี่ยเขาใช้สับบาลีววิหารติก็คือเป็นวิหารคำว่าวิหารคือที่อยู่เป็นเครื่องที่มันเจออยู่ได้อาศัยได้เช่นว่าถ้าต้นไม้ร่มเงามันน้อยเกินไป อันนี้จะเป็นวิหารเป็นที่อยู่ไม่ได้ต้องต้นไม้ที่ร่มเงามันมากหน่อยอย่างนี้ตอนะเช่นเดียวกันสมาธิคุณบอกว่าคุณได้ใช่ไหมถ้าคุณได้แบบลัดนิ้วมือเดียวมันก็ได้เนียน้อยหนึ่งก็ใช่ไหมค่ะแล้วคุณต้องได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมหน่อยปีติสุขคุณทั่วตัวไหมตามสเปคของพระพรุทธชา้าเนี่ยคือทั่วตัวอย่างเงี้ยนะค่ะอ่านี่คือเต็มที่เลยแล้วก็เป็นก่อเป็นกรรมได้อยากได้เมื่อไหร่ได้จะออกเมื่อไหร่ออกได้จะเข้าเมื่อไหร่เข้าได้อิรือบทไหนทําได้อย่างเงี้ อันนี้คือแบบว่าคือคือสเปคสูงของพระพรุทธเจ้าแต่ถ้าเราทําได้ไม่ถึงอันนี้ส่งมันก็จะน้อยตามลงมาตามลําดับลําดับไปค่ะที่ฉันอยากจะพ่วงด้วยคําถามของคุณสิงห์การินไทยเนี่ยไปซะเลยนะคะ ใ, <ช>ในวันนี้ท่านถามมาว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนใกล้ตายได้นึกถึงสิ่งดีๆหรือนําพุทธวจนะไปเปิดให้ฟังคนนั้นจะได้ไปสวรรค์หรือสามารถเป็นไปได้ถึงพระโสดาบันหรือถึงขั้นบรรลุได้เลยฟังดูเหมือนจะ คล้ายๆกับที่บอกว่าถ้าเราศรัทธาอะไรก็ตามขอร้องดได้โลกนี้จะไม่มีความเสื่อมซึ่งคุณสิงได้ขึ้นต้นไว้ตอนต้นของคำถามมันะคะแล้วก็บอกว่าคือโลกนี้ใครจะทำชั่วมาแค่ไหนก็ได้ก็จะได้ไปสวรรค์หมดหรือได้บรรลุโดยวิธีคล้ายๆลักไก่ถ้า อันเนี้ยคำถามต่อมาดิฉันไม่ค่อยเข้าใจนะคะที่บอกว่าถ้าตามโรงพยาบาลมีออปชั่นเสริมให้คนไข้คือเปิดพุทธวจนะเสียงตามสายก็เป็นช่องทางธุรกิจได้อีกอก็เลยแคลงใจมากเป็นเช่นนี้จริงหรือครับเอาไปเจอประเด็นเรื่องของการรักไข่ก่อนค่แล้วก็คือขั้นตอนการทํา ง, งานมันเป็นเงนี้ยว่ามีเหตุปัจจัยพอไหมถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยมาพอคุณก็บรรลุนิพพานได้ <c oughs> ทำอสวดให้สิ้นหรือว่าอย่างน้อยเป็นโสดาบันได้ประเด็นมันคือ <c oughs> ตรงนี้ว่าถ้าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทํามา อันนี้คือถือว่าคุณประมาทค่ะถือว่าคุณประมาทการที่เราสร้างเหตุปัจจัยพอเพียงไม่ใช่ความไม่ยุติตารมนะคุณยมติวเขาไม่ได้ระบาดรักไก่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยทีนี้การสร้างเหตุปัจจัยของคุณถ้าคุณมาทํำจ้อๆคุณมาทําตอนใกล้ๆคุณจะตายถ้ามันได้มันก็ได้นะถ้ามันไม่ได้ถือว่าคุณประมาทเค่ะดังนั้นเราต้องแยกประเด็นว่าประมาทหรือไม่ประมาทก่อนถ้าเราทำมาตั้งแต่วัยยาววัยเด็กมันดีเราก็สร้างเหตุปัจจัยให้ถูกมันก็ไปได้ จะทำใกล้ทำไกลอันนี้อยู่ที่ว่าคนนั้นประมาทหรือไม่เพราะว่าถ้าทำใกล้โอกาสได้บางทีมันไม่ได้ซึ่งกรณีของคุณยงติวยกมาเนี่ยก็เขาก็าฝึกมาเป็นหลายเดือนใช่ไหมแล้วท่านก็เจอเหตุปัจจัยนี้ก็เลยทาได้ส่ว น, นเรื่องการที่จะให้คนฟังพุทธวจนะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุทำได้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนนั้นบางทีก็จะแล้วแต่คนแล้วแต่คนคุณสิงห์ถามต่ออีกนิดหนึ่งนะคะว่า เราจะต้องศรัทธาคําสอนของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนตแล้วหลักการละมัสูตรที่สอนให้พิจารณาก่อนเชื่อละครับไม่ขัดแย้งกันหรือครับอเราต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนตันนี้ถูกต้องที่คุณสิงห์บอกน ะ, ะแล้วหลักการละมัสูตรมันมาขัดไหมหลักการละมัสูตรเนี่ยถ้าเราอ่านพระสูตรให้ดีๆเนี่ยก็คือให้มาพิจารณาเรื่องของราคาโทสะและโมหะในที่บอกว่า10บอย่างอย่าเพิ่งลงใจเชื่อเพราะว่าฟังตามตา ม, ตามกันมาเพราะว่าผู้นี้เป็นครูของตนอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 2> สุดท้ายแต่ให้เชื่อพระอะไรเชื่อเพราะว่าดูที่ราคราโทสะโมหะถ้าทํานั้นมีราคราโทสะโมหะเอาทํามันมันไม่ดีมเราไม่ต้องให้ใครมาบอกว่ามันไม่ดีเพราะเราเห็นได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าหมดราคราหมดโทสะหมดโมหะเอาอันนี้มันดีเราไม่ต้องให้ใครมาบอกละแต่เราทําได้ด้วยตัวเองเพราะมันหมดราคราหมดโทสะหมดโมหะอันนี้มันถึงจะดีเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นแรกที่ว่างั้นเราก็มา เอาตอนใกล้ๆจะตายแล้วค่อยมาฟังอันนี้คือคุณประมาทคุณยังมีราคาโทสะโมหะมันมเราจะทํายังไงให้ราคาโทสะมันโมหะมันหมดไปเราก็ทําตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆเลยแตนะ่ถ้าเราปฏิบัติตามมาร์กมาเรื่อยๆราคาโทสะโมหะมันก็จางคลายไปอันนี้คือปฏิบัติตามหลักกามรมัสสุนะโดยมีความเชื่อในคําสอนข อ, ของพุทธผู้โทธรโมสังโก อ, อย่างเงี้ยแล้วปฏิบัติตให้ราคาโทสะโมหะสิ้นไปอันนี้มันคือจะตามหลักของการมูตรุนะนะค่ะอ่าอ่า ครบเลยนะคะดิฉันคงไม่ต้องขยายความเพราะดูเวลาก็ไม่ให้โอกาสเราสักเท่าไหร่ด้วยกราบนมัส ก, การขอพระคุณท่านเทรียบุญเป็นอย่างยิ่งนะ ค, ะ, นนคะท่านฟังที่ครบค่ะท่านมีคําถามอะไรท่านก็สามารถถามมาได้นะคะเพราะว่าในการตอบคาถามนั้นท่านเทรียบุญจะมีการนําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ประกอบกันทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อในการสอนของท่านซึ่งท่านเป็นผู้ที่สอน โดยการตรัสอย่างแยบคายที่สุดคือมีความละเอียดของการสอนไม่มีการจะหลุดไปจากตรงนั้นได้น ะ, นะคะเป็นอย่างไรด้วยพระมหาภัยบุญอภิปุนโนค่ะท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดป่าดอนายโูงจังหวัดอุดรธา น, นีเป็นผู้ที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเล้นมีประจําทุกเดือนนะคะก็ให้ทราบกันเอาไว้เผื่อจะไปฝึกปฏิบัติกับท่านส่วนถ้าท่านต้องการซีดีบันทึกเสียง การสนทนาระหว่างดิฉันกับพระมหาไพบูลของปีที่แล้วนะคะก็ติดต่อไปที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ที่กาลังฟังอยู่ในขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-6106 02-126-6106 เราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพุทธสวัสดีคะ่ะ